แต่ก็เป็นโอกาสในการที่จะได้มาทำบุญความรื่นเริงของชาวบ้านนะก็อาจจะเป็นเพราะว่ายินดีนะพระสงฆ์สา ม, มนเณรแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัตินะได้เพียรมาตลอดสามเดือนทวนตามที่ได้อธิษฐานไว้อาความดีที่ได้ทำก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะก็เลยเหมือนกับว่าเฉลิมฉลองนะแต่ถ้าจะว่าเวลานี้สสำหรับพวกเราซึ่งเป็นพระหรือแม่ชีนะ อาจจะหลเนือนักปฏิบัตินะที่มาจับพรรษาด้วยออกพรรษาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะเพราะว่าการปฏิบัติการใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ า, าการเดินทางนะก็สะดวกขึ้นแต่ก่อนในช่วงเข้าพรรษาจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนักนะไปได้นะไม่เกินเจ็ดวันแต่ว่าออกพรรษาแล้วนะก็ ไม่มีข้อกำหนดแบบนั้นความหมายของออกรรษาก็คงมีเพียงเท่านี้แหละนะมันก็เป็นเรื่องสมมุตินะก็คือว่าเมื่อมีเข้ารรษา ก, ก็มีออกนะถึงไม่อยากจะออกก็ต้องออกอยู่วันยังค่ำนะเพราะว่ามันเป็นสมมุตินะเหมือนกับปีใหม่เนี่ยอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แม้ว่าจะรักปีเก่าปีห้าแปดอย่างไรเมื่อถึงปีห้าเก้านะมันก็ต้องไปนะก็ต้องลาทิ้งปีห้าแปดไป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 ออกจากศีล น, นะที่ยิงญาติโยงไว้เช่นเดียวกันนะออกพรรษาแล้วนะก็ไม่ได้แปลว่าออกจากศีล น, นะศีลห้าที่รักษาไว้นะก็ต้องสมาทานต่อแต่ว่าคนที่ที่ถือศีลแปดนะก็อาจจะออกจากศีลแปดแต่ก็ไม่ได้ทิ้งศีลข้อใดเลยนะก็กลับมาสมาทานศีลห้าใหม่นะผู้ง่ายคือว่าออกบรรษาแล้วนี่เรา <c oughs> ก็ยังไม่ควรออกจากธรรมะ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 จำแนกได้เป็นทานศีลภาวนาก็หมายความว่าแล้เราก็ยังควรบำเพ็ญทานต่อไปทานก็คือการให้สิ่งของหรือการช่วยเหลือด้วยสิ่งของจะเป็นข้าวปลาอาหารจะเป็นเงินทองก็แล้วแต่ทำกับใครให้กับใครก็เป็นทานในทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าะจะถวายให้กับพระเท่านั้นนะ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 คิดหวังผลนะเมือการซื้อหุ้นนะนะซื้อว่าจะดูหุ้นตัวไหนจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ดูว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าก็เลยซื้อหุ้นตัวนั้นแต่ว่าการาการทำบุญให้ทานเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะเห็นคนหรือสัตว์เดือดร้อนเฉพาะหน้าก็นะก็ให้ไปเลยนะถ้าใครที่มาคิดและคิดน้อยว่าโอ้ให้กับ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 ให้ลูกเสือไปหาอาหารแต่รอแล้วรออีกก็ยังไม่กลับมาแม่เสือก็กำลังจะกินลูกของมันท่านอยากจะช่วยชีวิตลูกเสือไว้นะก็เลยนะโดดไปให้เสือกินซะเลยนะท่านไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยว่าโอ้เราถ้าสลยชีวิตให้เสือนี่มันได้ประโยชน์น้อยได้อา น, นิสงส์น้อยนะสู้เสีะชีวิตให้กับประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่านะหรือว่าเสีะชีวิตให้กับ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 นะอย่าไปคิดว่าอ้อทำกับสัตว์มีอา น, นิสงส์น้อยไม่ทำทำกับคนดีกวานะ่าคิดแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าแม้กระทั่งการทำบุญกับกับสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีอา น, นิสงส์มากอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้ที่ประเทศศรีลังการนี่มีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่ตรงอยู่ในเมืองที่ติดกับทะเลเลยทะเลอินมหาสมุทรอินเดีย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 มาขอร่วมวงด้วยไอ้ชายหนุ่มคนนี้ก็ให้นะขนมปังบ้างข้าวบ้างก็มีคนบอกว่าให้ทำไมจระเข้มันสัตว์ดุร้ายนะแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่สนใจก็ถือว่าออให้ปลาแล้วก็ให้จระเข้นะไม่ได้เสียหายอะไรและวันหนึ่งเนี่ยนะวันที่16ธันวาปี47นะ อเราคงจําได้นะวันนี้สําคัญยังไงนะมันคือวันที่เกิดเทตุสึนามินะนะสึนามิเกิดขึ้นที่บ้านเราคนตายไปห้าพันกว่าคนคลื่นนี่มันซัดไปถึงโน่นนะพะมาะ่าแล้วก็ลังกาไปถึงลังกาคงจะประมาณ บ, บ่ายๆนะปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยโดนคลื่นสึนามิซัดนะคลื่นมันสูงมากสูงหลายเมตรเนี่ยทีแรกก็ซัดเข้าฝั่งก่อนใ็่แล้วคลื่นมันก็ลาดถอยลงมาน้ํานี่มันก็พาเอาชายคนเนี้ออกทะเลไปเลยนะ ความเร็วนี่มันสูงมากนะแกก็พยายามที่จะคว้าโน่นคว้านี่เห็นมันเห็นเก้าอี้ก็คว้าเก้าอี้เก้าอี้ก็แตกเห็นท่อนไม้ก็คว้าบอกว่าก็หลุดมือก็ขณะที่กําลังถูกคลื่นซัดออกไปนะที่มหาสมุทรก็บังเกิดเห็นท่อนไม้นะท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็เลยโดยสัญชาตญาณก็คว้าไว้ก่อนนะพอคว้าไว้แล้วเนี่ยก็ทําให้พอจะหายพอจะขึ้นพอจะ ชูคอขึ้นมาหายใจได้บ้างระหว่างที่คว้าแน่นนะก็สังเกตว่าเอ้ไม้ท่อนอื่นเนี่ยมันแล่นออกทะเลแต่ว่าไอ้ไม้ท่อนนี้นี่มันกลับเข้าหาฝั่งก็แปลกใจนะมันแล่นทวนน้ำได้ยังไงพอใกล้ฝั่งก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ท่อนไม้มันคือจระเจระเข้ตัวเดียวกับที่เขาเคยให้อาหารนั่นแหละนะ ก, ก็กลายเป็นว่ารอดตายเพราะจาระเข้ หรือผู้อีกอย่นก็นคือรอ่ตายเพราะว่าทานนะที่เคยทําไวนะ้ะกับสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการให้ทานกษัตริย์เดรัจฉานนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะสูญเปล่านะหรือว่าจะมีคุณค่าน้อยนะนยจะดูถูกไม่ได้นอกจากทานแล้วก็ศีลอปรรษาแล้วก็ยังต้องอยู่ในศีลนะศีลในที่นี่นี่นะในความหมายนะที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ว่า ไม่ทำโน่นไม่ทำนี้เท่านั้นนะยังมีความหมายรวมถึงว่าควรทำสิ่งดีๆ ด, ด้วยเช่นสี่งข้อที่หนึ่งเนี่ยนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยยังหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยนะสี่งข้อที่สองเนี่ยนอกจากหมายความถึงการไม่รักทรัพย์แล้วก็ยังรวมถึงการมีสัมมาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้องและยิ่งเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่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 ก็ต้องทําด้วยความอดกลัน้นอดกลั้นไปนานๆก็อดไม่ไหวนะก็ก็ละเมิดผิดศีลได้นะสมัยนี้มันผิดได้ง่ายด้วยเพราะว่าสิ่งล่อเราเย้ายวนมีเยอะนะดนั้นถ้าไม่มีความพอใจในของตัวนี้ก็ผิดศีลข้อสามได้ง่ายมากข้อสีก็คือนะนอกจากจะไม่โกหกแล้วเนี่ยก็ต้องมีอ่าความซื่อตรงรักศัจดนะิ์เจริญเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่า เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องสัจจะเท่าไหร่นะบางทีก็โกหกนะเอาตัวรอดไปเป็นครั้งเป็นคราวอแต่ถ้าราักสัจจะได้เนี่ยนะถือว่าการที่ซื่อตรงการมีสัจจะ ก, ก็เป็นการทําบุญแบบหนึ่งก็ทําให้เราไม่กล้าโกหกข้อห้านี่ยนอกจากจะหมายถึงการไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็รวมถึงการมีสติสัพพัญญาด้วยรู้จักครองสตินะอย่าทําอะไรที่มันเป็นการทําลายสติของตัวในเหล้าอาับไบยาโมงนี่แหละ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 นะจนกนงกระทั่งบางทีต้องไปพ้นไปจี้นะหรือแม้ก็ค่ฆ่าตัวตายนะเพราะว่านี่สินเยอะเหลือเกินอะไรทำให้คนเราเนี่ยมันมีนี่สินกันเป็นล้านนะทั้งที่เงินเดือนก็มีแค่หลักหมื่นหลักพันเพราะความลืมตัวนะไม่มีสตินั่นเองแลือการอยู่ในสินเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะความเ e อื้อเฟื้อเก้อกูลเนี่ยนะมันมีมีผล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 มาเยี่ยมเวลาขึ้นเวเนี่ยก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจคนไข้ทุกเตียงเลยใครที่พูดได้นะใครที่รู้ตัวก็จะพูดให้กำลังใจใครที่ไม่รู้ตัวแฉก็จะแผ่เมตตานะแล้วก็บอกว่าขอให้ขอให้อ่าหายเจ็บหายป่วยคอให้พ้นจากวิกฤตเวลามาก็สัมผัสให้กำลังใจเวลาจะกลับนะก็มาให้กำลังใจอวยพร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 ก็มีบางมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะความรู้สึกมันรุนแรงมากนะจนกระทั่งจะทนไม่ไหวไอ้ความรู้สึกตอนนั้นมักจะเป็นช่วงตอนกลางคืนนะจะตายให้ได้ไอ้ช่วงที่ไม่ไหวเนี่ยคนไข้คนคนี้ก็จะนึกถึงพยาบาล น, นึกถึงพยาบาลคนนี้แหละนะว่าถ้าพยาบาลมามาหาเขาตอนเช้าแล้ะพบว่าเขาหมดลมแล้วเนี่ยพยาบาลอาจจะไม่สบายใจนะ พยาบาลจะนึกโทษตัวเองว่าทําอะไรไม่ถูกหรือเปล่านะจึงใ้คนไข้าตายช่็เลยพยายามรวบรวมกําลังนะเพื่อที่จะอยู่ให้จนถึงเช้าและเมื่อพยาบาลมันก็จะบอกพยาบาลว่าถ้าหากว่าผมต้องตายเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะไม่ใช่ความผิดของพยาบาลนะตั้งใจจะบอกอย่างงี้นะก็เลยอึดอึดนะพยายามสู้จนสามารถจะผ่านวิกฤตไปได้พอถึงตอนเช้าพยาบาลมาเยี่ยมมาหา ก็ลืมนะลืมพูดลืมบอกพยาบาลไปพอตบกลางคืนอาการก็กำเริบนะจะตายให้ไดนะ้ตอนนั้นรู้สึกว่าตายง่ายกว่าอยู่แต่ว่าก็ยังไม่อยากตายเพราะอยากจะอยากจะมาบอกพยาบาลว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะถ้าผมจะตายเนี่ยก็เลยพยายามสู้นะสู้จงกระทั่งผ่านมาถึงตอนเช้ามาถึงตอนเช้าอาการก็ดีขึ้น แต่แล้วก็พอเจอพยาบาลก็ลืมบอกอีกนะเป็นอย่างนี้อยู่สองสาครั้งนะจนถ้าอาการนี่ก็ร่างกายก็ดีขึ้นตามลำบานายซืนะ้อก็ออกจากโรงพยาบาลได้ตอนหลังเนี่ยนะชายคนนี้ก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พยาบาลฟังนะพยาบาลก็ก็เลยมาเล่าให้คุณหมอมารามาริลาคุณหมอมาราก็เลยมาเล่านะให้ผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ฟังนะ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 มันภาวนาแต่ละอย่างแต่ว่าที่สมาคือภาวนาเพื่อสร้างความรู้สึกตัวขอพรรษาแล้วเนี่ยนะอย่าให้เราออกจากความรู้สึกตัวจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นคารวันก็ตามเนี่ยออกจากความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะก็อันตรายเรล่า น, นั้นนะเพราะว่าเมื่อมีไม่มีความรู้สึกตัวความทุกข์มันครอบงนได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีอะไรที่จะมากระทบกับเรา ตลอดเวลาทางตาบ้างทางหูบ้างนะอย่างตอนนี้นี่ก็มีเสียงมากระทบหูเราเนี่ยเสียงประทัดนะถ้าเราออกจากความรู้สึกตัวนะเราก็จะโกรธนะเราก็จะห ง, งุดหงิดเราก็จะลาคานนะว่าเสียงดังมันวนแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะเสียงมันก็ดังมันก็ดังไปนะใจเราไม่ไปต่อร้อต่อเฉียงกับเสียงนั้นนะไม่ไปต่อร้อต่อเฉียงกับคนที่จุดประทัดนะเ้ายังมีสติอยู่ได้นะ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 ออกจากความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะกิเลสตัณหามันก็ครอบงําจิตแล้วก็สามารถจะทําให้เราพลังเผลอทําความชั่วได้นะถ้าอยากรักษาใจให้ปลอดภัยนะก็ต้องรักษาใจให้อยู่ในความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวมันก็สร้างได้นะด้วยการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะสี่เนี่ยนะพระอาจารตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันคือถิ่นที่อยู่ของเรานะ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 มันก็เลยถูกเหี่ยวจับได้ระหว่างที่เหี่ยวเนี่ยคว้ามันขึ้นทะยานขึ้นฟ้าเนี่ยนะนกตัวนี้มันก็ร้องมันก็บ่นว่าเนี่ยเป็นพ่อเราหากินนอกถิน่นนะก็เลยต้องเจอเหตุแบบนี้ถ้าเราไม่หากินนอกถิน่นก็ไม่มีทางที่เหวี่ยวจะจับเราได้เลยนกมูล่ายบ่นอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะ เดี่ยมก็สงสัยว่าถิ่นของเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนกมูลไถก็บอกถิ่นของเราอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ชี้ไปที่อ่าเนินดินนะที่มันมีมันมีรอยไถเดี่ยวเนี่ยมันอยากพิสูจน์ว่ามันเก่งนะถึงแม้ว่านกมูลไถเนี่ยจะอยู่ในถิ่นของตัวก็ไม่มีทางรอดจากเงื้อมมือเราได้นะนี่เป็นอาหังการของเดี่ยว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 พอพุ่งมาเกือบจะถึงแล้วนกมูลไถเนี่ยก็หลบเข้าไปในในในรอยไถ่เ ย, ยวเนี่ยมันพุ่งเข้ามาอย่างแรงด้วยความเร็วนะมันหยุดไม่ทันนะตัวมันก็เลยกระแทกกับพื้นดินตายเลยอันนี้พระเจ้าก็เล่านะเป็นเป็นนิทานเพื่อบอกว่าเนี่ยตราบใดที่นกมูลไถเนี่ยอยู่ในถิ่นของตัวเองเนี่ยหรืออยู่ในถิ่นของพ่อเนี่ยก็จะปลอดภัยภิกษุก็เหมือนกันนะ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 ปล่อยวางนะไม่ได้ยึดติดถือมากกับสิ่งธรรมดาว่านะใครมาตำหนิติเตียนก็ไม่ได้ทุกเพราะว่าไม่มีความยึดติดในตัวตนนะไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนนะที่จะอ่าเป็นผู้โกรธผู้เกลียดได้เรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยนะเพราะไม่มีตัวตนเล่ำก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างที่หลวงพว่อสมเด็ท่านสอนเอาไว้อันนี้แหละที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงชนดิดที่ว่า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 กายทาอะไรใจก็รับรู้รู้รู้รตัวนะใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปก็รู้ทันนะแล้วก็จะเห็นเองนะว่าอ๋อกายกับใจนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะขันนั้ง5านะรูปเวทนาสัญญาสังหารวิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีความยึดติดถือมั่นว่าเป็นไรต่อไปอะไรมากระทบกับขันก็ไม่ทุกนะอะไรมากระทบกับรูปนะก็ไม่ โกรธไม่เกลียดนะไม่โมโหท่านออกพรรษาก็ขอเราตั้งใจนะว่าแม้จะแม้จะพรรษาจะผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเราก็จะยังมั่นคงอยู่ในธรรมมั่นคงอยู่ในทานในศีลในภาวนาต่อไปนะเอาแล้วก็ข อ, อโมทนานะขอบคุณอ่าชาวบ้านนะบ้านบ้านใหม่บ้านกุดงงนะแล้วก็บ้านวังแค่นะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ฟังที่นี่นะก็ต้องขอบคุณรถทั้งบ้านทํำมาไฟด้วยนะที่ได้เช่วยอุปทาน เ, เลี้ยงดูนะพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมอันที่รวมไปถึงญาติโยมอย่างที่อื่นด้วยนะเพราะว่าอก็มาจากหลายทิศหลายทางตลอดพรรษา น, นี้ถ้าไม่ได้ความอุปถัมภ์ของญาติโยมที่กลราบมาวัดป่าสุขโตก็คงจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูนะ พระสงค์แล้วก็แม่ชีนักปฏิบัตินะใหอ้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีกำลังในการปฏิบัติทำได้นะก็ขอให้ได้รับ อ, อ น, นิสงฆ์แห่งบุญที่ได้บำเพ็ญเอาไว้นะท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอานวยผลให้ทุกท่านนะทั้งที่มาปฏิบัติในพรรษานี้แล้วก็ทั้งที่เป็นผู้อุปถัปถมภ์สนับสนุนนะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข